อนาปฏิวนันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ340 1. ิภิกษุผู้ไปด้วยกิจของสงฆ์ของเจดีหรือของภิกษุอาพาธ 2. ภิกษุวิกลจริต 3. ภิกษุต้นบัญญัต